เราขอพรแล้วก็อยากจะขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกข์ไม่ลำบากมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้ก็เป็นพรที่ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากขอแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็น่าจะขอให้ มีกำลังใจมีธรรมะมีสติมีปัญญามีความเพียรที่จะเอาชนะประศัก์เอาชนะความยากลาบากให้เป็นสุขแม้กายจะทุกข์ให้เป็นสุขแม้จะเจ็บจะป่วยจะแก่อย่างนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าจะขอให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่ลำบากเลยนี่มันเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันผิดธรรมชาติผิดวิสัยจะให้มีแต่ความเจริญความสำเร็จไม่ประสบความพัดพลาคจากสิ่งเป็นที่รักเลยอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ก็อ <c oughs> ย่างที่เราเสวดกันทุกเช้านั่นแหละความทุกสิบสองอาการ มันเป็นของจริงเป็นความจริงเป็นกฎธรรมชาติที่ทุกชีวิตทุกคนต้องเจอจะขอให้ไม่เจอนี่มันเป็นไปไม่ได้หรือเรียกว่าเป็นไปได้ยากคราว น, นี้เมื่อต้องเจอแล้วมันต้องมาแน่ๆไม่รู้เมื่อไหร่ก็น่าจะขอว่าขอให้เรามีสติมีปัญญามีความเพียรมีความอดทน ที่จะสู้ที่จะฝา่าแล้วก็พ้นไปได้แม้กายจะเจ็บแม้กายจะป่วยแต่ว่าก็ใจขอให้ไม่ทุกข์ไปตามร่างกายอันนี้เป็นไปได้อันนี้ก็อยากจะให้ชาวพุทธเราพอออกแม่ออกพอสีแม่สีลองคิดแบบนี้บ้าง นะลองคิดในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็ดีกว่าเดี๋ยวนี้เราชอบขอพรในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้จะให้ไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าจะให้ไม่ทุกข์ไม่ลำบากไม่ประสบความพัดภาดสูญเสียไม่มีความทุกข์กายทุกใจอันนี้ก็เป็นไปได้ยากโดยเพราะทุกข์กายนี่มันต้องแน่นอนอยู่แล้วให้เรา ขอให้เราลึกถึงสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ปเ e r ิฐกว่าคือธรรมะเพราะถ้าเรามีธรรมะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไปแต่มันทำอะไรเราไม่ได้มันทำได้แต่กายแต่ว่าทำอะไรจิตใจของเราไม่ได้อันนี้ดีกว่าก็อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งคนบางคนนี่ก็ มีความเจริญมีโชคมีลาบแต่ว่าใจมันทุกข์ผูกหวยถูกลอตเตอรี่เป็นพันล้านแต่ว่าชีวิตนี่หาความสุขไม่ได้เลยถูกลอตเตอรี่พันสองร้อยล้านที่ประเทศอเมริกาเมื่อหกปีที่แล้วเสร็จแล้วก็ผ่านไปห้าปีปรากฏว่าผัวเมียก็ต้องแยกกัน ัวก็ตายเพราะป่วยเนื่องจากกินเหล้ามากคือพอถูกหวยแล้วมันก็ไม่ต้องทําอะไรละไม่ต้องทํางานเอาแต่ใช้เงินเอาแต่เที่ยวเอาแต่กินเหล้าจนต้องยากันเมียเนซูก็ตายในบ้านหลังใหญ่ตายคนเดียวห้าปีเท่านั้นแหละลงเอยก็แบบนี้ไม่มีเพื่อนพอไปเอาเพื่อนละพอมีเงินเป็นพันล้านก็ไม่เอาเพื่อนละคิดว่าเงินเป็นสารณะ อันเนี้ยคือคนเราแม้ว่าจะมีโชคมีลาบแต่ถ้าใจมันไม่พร้อมใจมันไม่มีธรรมะไม่มีสติไม่มีปัญญาลาบก็กลายเป็นทุกขลาบแต่ถ้าเรามีธรรมะมีสติมีปัญญามีเมตตากรุณามีวิริยะความเพียรมีมิตรมีครูบาอาจารย์ความทุกข์มันจะถาโถมเข้ามาอย่างไรก็สู้หว สู้ไหวถึงเจ็บถึงป่วยถึงพิการอย่างอาจารย์กำพลเนี่ยคนที่จะทุกข์อย่างอาจารย์กำพลก็คก ง, าากงหาได้ยากพิการตั้งแต่อายุ24ตั้งแต่คอลงมาหมดเลยอนาคตก็ทุกมาเป็นสิปีจนทั้งได้ค้นพบธรรมะปฏิบัติธรรมะจงรักธรรมะอยู่ที่จิตที่ใจเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมา ก็ humans, amigo, beers, counties, fees, เบี่ยงความทุกข์ทิ้งไปได้พิการแต่กายแต่ใจไม่พิการจิตใจเราออกจากความพิการทันดีที่รู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องรู้เรื่องรูปเรื่องนามไม่ไปยึดเอาความพิการเป็นของตัวเองความพิการก็เป็นเรื่องของกายใจมันโง่แต่ก่อนก็ไปยึดเอาว่าตัวเองก็พิการด้วยกายพิการแต่ใจไม่พิการใจก็เบาแต่ก่อนเคยแบกเอาไว้แต่พอรู้ มีสติรู้ตัวเกิดปัญญาขึ้นก็สลัดทิ้งออกไปใจเบาสบายคนเรล่านี้ไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนนะถ้ามีธรรมะอยู่ที่ใจนี่มันสู้ได้นะอย่างมีคนหนึ่งนี่ไม่รู้จาได้หรือเปล่าแต่คนใหม่ก็อาจจะไม่ไม่เคยได้ยินก็จะเล่าให้ฟังคนนี้นี่เขาเรียกว่าอายุตั้งแต่เกิดมาจกนกระทั่ง50าิกว่าชีวิตนี้ลำบากลำบนตลอด และส่วนใหญ่ก็ลำบากเพราะคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เพราะตัวเองเลยอย่างเช่นตอนอายุ2เดือนนี่ก็เป็นเด็กทารกนะพี่เลี้ยงก็ทาตกน้าตกน้าก็เกือบเจ้าตัวไม่รอดพี่เลี้ยงก็ไปช่วยไว้ได้ทันพออายุ8ปดขวบก็ตกน้าอีกนะสำลักน้ำแม่น้ำลำคลองนี่มันมีทั้งน้ำมันมีสิ่งสกปรกเข้าไป พ่อช่วยมาได้ทันแต่ว่าร่างกายก็แย่ป่วยเวลาเจอแดดร้อ น, กนลลอๆก็เป็นลมเวลาร้องไห้มากๆก็เป็นลมคนนึกว่าสำออยพอโตขึ้นมาเรียนได้ปีสองแม่ก็ตายพ่อก็เลยทำใจไม่ได้ท้ายพ่อก็เลยป่วยพ่อป่วยแล้วทำไงอ่ะตัวเองก็ต้องลาออกจากโรงเรียนมาช่วยดูแลพ่อแล้วก็น้องๆ อ, อีก5้าคน ก็ดูแลไม่ไหวนในสุดก็ต้องทิ้งบ้านขายบ้านต้องถูกไล่ออกจากบ้านไปต้องกระเสือกกระสนต้องลาออกจากโรงเรียนออกจากหมหาวิทยา ย, ายต้องทํามาหาเงินเยแล้วไม่กี่ปีต่อมาก็ปรากฏว่าเป็นเนื้องอกที่มดลูกเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอก็ไปผ่าเอาข้างที่มันยังดีอยู่ให้ข้างที่เสียไม่ผ่าก็เลยต้องพ่ามาอีกครั้งหนึ่งก็เลยหมดไปเลย พอหมดไปเลยมันก็ทำให้ขาดฮอร์โมนพอขาดฮอร์โมนเขาก็ทำให้เป็นโรค ก, กระดูกผุอายุแค่ไม่กี่ปีกระดูกผุเหมือนคนแก่อ่อนแอเจออะไรมันกระทบแรงก็กระดูกหักแต่งานมีลูกลูกก็ไม่รู้คลอดดีท่าไหนไปเอาคีมคีบออกมาหัวก็เลยสมองกระทบกระเทือนลูกเลยพิการพิการนี่หมอก็บอกว่าาอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ว่าก็อยู่ได้ เลี้ยงดูลูกมาจนโตแต่เลี้ยงดูลูกไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาผัวบอกไม่ไหวแล้วบัลลัมบาาเหลือเกินก็อย่าดีกว่าให้ดูสิ mm hmm. พ่อก็ตายแม่ก็ตายตัวเองก็ได้ลูกไม่สมประกอบผัวทิง้งผัวภาพร่างกายก็แย่หมอผ่าก็ผ่าผิดยังไม่จบนะแล้วก็เจออีกหลายอย่างที่เจอบ่อยคืออุบัติเหตุ รถจอดอยู่ดีๆที่สี่แยกก็มีรถมาชนตรงสี่แยกนะมันคิดดูนะรถมาชนตรงสี่แยกท่านัง่งที่จอดอยู่นะไฟแดงรถอื่นมาแหกโคง้งมาชนคอนี่ก็แทกอย่างแรงกระดูกคอจิ้นส่วนกระดูกคอมันหักไปกดเส้นประสาทเป็นไงอัมาพาตเลยเส้นประสาทมันขาดต้องไปนอนโรงพยาบาลกระดิกกระเดี้ยไม่ได้ หมอต้องเอาเข็มเนี่ยเอาเหล็กแหลมๆมาทิ่มที่กระโหลกเพื่อไม่ให้ขยับขยืน่นเคยไปเยี่ยมคนที่มีสภาพแบบนี้อุ้าสงสารมากเจ็บก็เจ็บขยื่นก็ขยื่นไม่ได้เพื่อนมาใครๆต่อมาก็ร้องห่มร้องไห้สงสารแต่เจ้าตัวนี้ก็เข้มแข็งในสุดก็รอดมาได้กลับมาเป็นปกติแต่ว่า ไม่กี่ปีต่อมาก็รถที่คนหนึ่งขับให้นี่มันไปชนเสาไฟฟ้าแขนหักแล้วก็ก้านเกียมก็มาทิ่มมันทะลุชายโครงไปทิ่มเอาที่รู้สึกจะเป็นตับเข้าโรงพยาบาล น, นีู่แล้วก็จะเจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆเจออุบัติเหตุอยู่เรื่อยเขาบอกว่าวันที่ไปออกรายการเจาะใจนี่ก็โดนรถชนข้างหลังแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นี่เขาไม่ทุกข์เลยนะ คนที่เจอแบบผู้หญิงคนนี้นี่โอ้ยคงจะรู้สึกว่าชีวิตนี้นะมันมีกรรมเหลือเกินถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือว่าซวยเจอแต่เรื่องลำบากมาตลอดและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่คนหนึ่งเขาทำทั้งนั้นอุบัติเหตุทั้งหลายเกิดขึ้นจากคนอื่นทั้งนั้นตัวเองไม่เคยขับรถเลยแต่ว่าโดนชนข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเขาไม่เคยท้อแท้เลยเวลาใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลำบากนะ ลองนึกถึงผู้หญิงคนนี้ดูอาจจะรู้สึกว่าโอ้เรานี้สบายกว่าเยอะและที่สําคัญคือว่าผู้หญิงคนนี้นี่ก็ไม่เคยเบื่อน้อยเนื้อต่ำใจกลับเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับใครต่อใครได้ตั้งเยอะแยะตอนที่เขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลมีเหล็กแหลมปักไว้ที่หัวสองข้างเนี่ยใครๆก็มาร้องไห้ร้องไห้ แต่คนป่วยนี่แทนที่จะทุกข์ก็ต้องคอยปลอบใจคนที่มาเยี่ยมคล่อยปลอบใจคนที่มาเยี่ยมให้มีกำลังใจให้มันกลับกันนะแทนที่คนที่มาเยี่ยมจะปลอบใจคนป่วยคนป่วยต้องมาปลอบใจคนที่มาเยี่ยมสุดท้ายคนที่มาเยี่ยมนี่ก็ทำใจไม่เป็นทาใจไม่ถูกเขาก็เลยต้องสอนสมาธิให้กับคนที่มาเยี่ยมเขาบอกว่าเนี่ยถ้าผู้ที่มาเยี่ยมนี่ใจมันทุกข์วุ่นวายแล้ว ร้องห่มร้องไห้คนป่วยก็ขวัญเสียไปด้วยทางที่ดีก็ต้องช่วยคนที่มาเยี่ยมนี่เขามีใจสงบก็เลยฝึกสมาธิให้เออมันก็แปลกเนอะแทนที่คนมาเยี่ยมนี่จะมาฝึกสมาธิสอนสมาธิให้คนป่วยเนี่ยคนป่วยกับต้องมาสอนสมาธิให้คนมาเยี่ยมกำลังใจดีมากเนียเวลาตอนที่โดนรถชนก้านเกียร์ทิ่มตับนี่แล้วก็ลุกขึ้นมา ออกมาจากรถไปโทรศัพท์ถึงน้องสาวน้องสาวถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่เป็นอะไรมากแค่ตับแตกก็ตับแตกจริงด้วยเข้าโรงพยาบาลไปยกใหญ่เราลองดูถ้าเราเป็นอย่างนี้บ้างเราจะทำอย่างไรบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เอาดีกว่าถ้าตัวตายดีกว่าเดี๋ยวต้องเจออีกแบบนี้อีกเยอะแยะอันนี้ก็เพราะไม่มีธรรมะไม่มีสติแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยมันเจอแค่ไหนมันสู้ได้นะทั้งที่รู้ว่า จะต้องเจออีกเยอะแต่ถ้ามีธรรมะมีสติมีปัญญานี่มันสู้ได้บางคนเขาอาจจะคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมชาติที่แล้วไม่รู้ทําอะไรไว้ชาตินี้ก็เลยต้องมารับเคราะห์คิดแบบนั้นมันไม่พอเพราะถ้าเห็นว่าข้างหน้านี่จะต้องเจออะไรอีกเยอะนี่ถ้าไม่มีธรรมะมันก็ยอมแพ้แต่คนที่มีธรรมะนี่เขาไม่แพ้เขาไม่กลัวเขาพร้อมที่จะเจอไม่ว่าจะมาอีท่าไหน ก็จะสู้กับมันนะเพราะถือว่าความทุกข์นี้มันก็สอนให้คนเราเข้มแข็งพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมได้ก็เพราะเจอความทุกข์เจอความล้มเหลวแสวงหาธรรมะพลานมาต้องหปีก็เพราะความผิดพลาด น, นี่แหละที่ทําให้บรรลุธรรมว่ามีเยอะเลยในสายพุทธการพวกที่บรรลุธรรมเพราะความทุกข์เนี่ยนางปตาจารานางกีสาโคตมี อำมาตย์เคยล่าฟังอำมาตย์ที่เศร้าใจนะนางกำนันที่เต้ลำไลยลำต้องมาตายต่อหน้าต่อ ต, อตานะเสียใจมากแต่พอพระพุทธเจ้าได้ชี้แนะนิดเดียวก็ปัญญาเกิดทันทีแล้วก็บรรลุทำได้เนี่ยลองเวลาเราทุกเนี่ยลองนึกถึงคนแบบผู้หญิงคนเนี้ยนะเขาชื่อก็ชื่อเพราะโดยชื่อกเกษมสุขนะ ดูชีวิตของเขาลมันไม่น่ากเสมไม่นาสุขเลยนะแต่ว่าใจเขากระเสมใจเขาก็สุขอันนี้มันแสดงว่าทุกข์หรือสุขนี่มีอยู่ที่ใจจะเจอเคราะห์ซ้ากรรมซัดแค่ไหนแต่ถ้ามีธรรมะก็สามารถรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับร่างกายใครจะทำอะไรกับเราเราก็ไม่ทุกข์อันนี้ทำได้ทุกข์หรือสุขอยู่ที่เรานะ อยู่ที่ใจถ้าวางใจไม่เป็นใจนี่แหละที่มันจะทำมันตรายให้แก่เรายิ่งกว่าโจรยิ่งกว่าใครต่อใครซะอีกพระพุทธเจ้าตัดว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ทำร้ายเราได้มากกว่าใจที่วางไว้ผิดใจที่วางไว้ผิดคือใจที่มันไม่มีสติใจที่ไม่มีปัญญามีความทุกข์แม้แต่เพียงนิดหน่อย ก็เอาความทุกข์นั่นแหละมาทิมแทงตัวเองแม้แต่คำพูดซึ่งผ่านไปแล้วหลายวันก็ยังเก็บเอามาคิดเอามาครุ่นและครุ่นคิดทีไรก็โกรธทุกข์แทนที่จะวางเปล่าไม่วางมันเหมือนกับคนที่มีเศษแก้วเศษ ก, ก, กระจกอยู่ในมือเศษกระจกอยู่ในมือนี่นะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอก ถ้าเราไม่ไปบีบมันนะลองนึกภาพตอนมีเศษกระจกแหลมๆอยู่อยู่ที่ฝ่ามือถ้าแบกอย่างนั้นน่ยไม่เป็นอะไรแต่พอเราไปยึดไปบีบมันมันก็บาดนิ้วเราบาดมือเราจะไปโทษกระจกได้ไหมมันโทษไม่ได้นะแต่ต้องไปโทษเราเองที่เราไปบีบมันทําไมแล้วนะคนเราเวลานี้ทุกกันเพราะอย่างนี้กันทั้งนั้นคือว่ามันมีความโกรธ อยู่ในใจมีความาท้อแท้มีความเศร้าความโศกอยู่ในใจถ้าไม่ทําอะไรกับมันนะมันก็ทําแล้วเราไม่ได้ความโศกความทุกข์ความเศร้าเสียใจแต่พอไปยึดไปคล้องติดกับมันก็เหมือนกับเราไปบีบเศษแก้วเศษกระจกในมือไปกัมเอาไว้ถ้าไม่อยากให้มันบาดเราก็อย่าไปกัมเอาไว้แบออกซะมันทำอะไรแล้วไม่ได้ และยิ่งถ้าความมือซะมันก็ตกลงมาแต่เรานี่ไม่ยอมคว่ำ ม, มือนะแล้วก็ไม่ยอมแบมือด้วยยังไปกํามันเอาไว้แล้วกําแน่นๆแล้วมันจะไม่บาดมือเราได้ยังไงลองดูเถินะไอ้ที่ทุกๆกันเนี่ยโดยเฉพาะทุกในใจเนี่ยเวลาเรานึกถึงคําด่าของเขานึกถึงคําพูดของเขา เรไม่ใช่นึกเปล่ า, เ, ลาเรากาลังจะบีบเรากำลังจะกำมือให้เศษแก้วนี่มันบาดมือเราแล้วทําไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติคนพอไม่รู้ตัวแล้วก็มันก็กาเอาไว้แน่นเหมือนกับลิงลิงที่มั น, นถั่วอยู่ในกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่นี่จริงๆไม่ได้เกิดขึ้นเองหรอกพลานเนี่ยที่เขาลำคานลิง เขาก็มีวิธีการจับลิงแบบชาวบ้านไม่ต้องใช้มีไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้เชือกเอาก็บอกไม้ภายเนี่ยเจาะรูเล็กๆแล้วก็เอาถั่วใส่เข้าไปลิงนี่มันได้กลิ่นมันก็เอามือล้วงเข้าไปแล้วก็กำถั่วออกมาแต่พอจะดึงถั่วออกมามันดึงไม่ออกมันดึงไม่ออกเพราะว่ารูมันเล็กกำมือมันใหญ่กว่ารูมันก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้มันก็ปีกขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็ถูกชาวบ้านจับ จับเอาไปไหนไม่รู้เวลามันเห็นชาวบ้านก็ตกใจตกใจก็จะดึงมือก็ดึงไม่ออกก็เลยรีบขึ้นต้นไม้ที่จริงมันเพียงแต่แบมือออมมันก็ดึงมือหลุดออกมาได้แล้วแล้วก็หนีไปได้แต่ทำไมมันไม่ยอมแบทำไมถึงกำเอาไว้มันลืมตัวมันตกใจมันเลยกำเอาไว้ที่แรก ม, มันกำเพราะความโลภ คนเราเวลาโลภแล้วเนี่ยมันก็หลงมันก็ลืมเวลาจะหลอกใครเนี่ยต้องรอให้เขาเกิดความโลภก่อนพวกเครือรถสิบแปดมงกุฎนะจะมาหลอกเงินหกชาวบ้านจะมาหลอกเงินพระก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าให้เงินเขาเดี๋ยวเขาจะไปวิ่งเต้นเอาเงินมาให้อยากได้ทองอยากได้หวยไหมอยากได้อยากได้อ ย, ไดอยากถูกลัตต์รี่ถูกหวยใต้ดินไหมเขามีเขาล็อกเลขเอาไว้ ถ้าอยากได้อยากได้เบอร์นี่ก็เอาเงินมาให้แล้วเดี๋ยวจะบอกเลขให้ทางโทรศัพท์คนนันพอนึกถึงรางวัลที่จะได้รับก็เกิดความโลภขึ้นมาพอเกิดความโลภขึ้นมามันก็ลืมใช้ปัญญาลืมตัวก็ให้เงินเข้าไปห้าร้อยบางพันหนึ่งบางถือว่าคุ้มเนี่ยเพราะว่าถ้าถูกหวยนี่โอ้มันเป็นแสนอันนี้แหละหลอกกันง่ายๆ บางทีก็หลอกพระว่าจะวิ่งเต้นหาเงินมาสร้างโบสถ์ให้10ล้านแต่ขอเงินสักสองสมแสนไปวิ่งเต้นค่านารอนนังชาเจ้าหน้าที่กรมศาสนาสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็เชื่อนะบางทีพระก็ให้ไปให้สมุดบัญชีไปเซ็นให้ต่างหากมันก็ไปเบิกเงินมนาะเป็นแสนเลยแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆบางทีพักเก่งเนี่ย ฉลาดฉลาดก็ดวมันหลอกแบบนี้พ่อแหละมันกระตุ้นให้โลภเอาเงินสิบล้านมาล่อพอโลภแล้วก็มันก็ลืมตัวก็ลืมตัวแล้วก็เลยถูกเขาหลอกลิงมันก็เหมือนกันลิงมันพอมันโลมก็ลืมตัวแล้วจิงตื่นตกใจก็ลืมตัวมันก็บีบไว้กรมมาไว้ไม่ยอมปล่อยคนเราก็เหมือนกันนะกรมกรมเศษกระจกเอาไว้แล้วเศษกระจกก็บาดนิ้ว เรากำความโกรธเอาไว้เรากำความทุกข์เอาไว้เรากำความเกลียดเอาไว้คำพู ด, ข อ, ข, ดรรของเขามันไม่ดีการกระทำของเขามันไม่ดีก็น่าจะปล่อยผ่านเลยไปไม่ปล่อยกำเอาไว้แล้วบีบเอาไว้กำนนแน่นก็ทุกข์สิอย่าว่าแต่เศษกระจกเลยแม้แต่ก้อนหินนะก้อนหินที่ถ้าเรากำเอาไว้บีบเอาไว้แน่นๆเนี่ยผมก็ปวดอย่าไปโทษก้อนหินอย่าไปโทษกระจกนะต้องโทษเราเอง เพราะความไม่รู้เพราะความลืมตัวแต่ถ้าเรามีสตินะเรามีปัญญานะเราไม่โง่แล้วจะไม่เผลอรกรรมไม่เผลอบีบเอาไว้เราจะแบมือแล้วก็ปล่อยมันไปลงไปเลยแบมือแล้วปล่อยมันไปก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ไปเผลอไม่ไปร่วมมือด้วยเนี่ยที่เขาว่าตบมือสองข้างตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือสองข้างก็เพราะ ใจของเรานี่แหละที่มันไม่รู้ใจของเราที่มันไม่มีธรรมะไม่มีสติแล้วเราก็ชอบไปโทษคนโน้นโทษคนนี้เวลาเดินไปเตะก้อนหินเวลาเดินไปเตะน้าก็ไปโทษน้าไปโทษก้อนหินที่จริงมันต้องโทษตัวเราเองก้อนหินเขาก็วางไว้ตรงนั้นอย่างนั้นต้องนานแล้วน้าก็อยู่ตรงนั้นมานานแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนี้มาลนานแล้วความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนที่เรียกอาอนิจจัง ก็เกิดขึ้นมาตลอดไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้หรือเปล่ามันก็มีอยูน่นีมานานแล้วแต่พอเราไปเจอเข้าเราวางใจไม่เป็นเราก็ไปโทษโทษอนิจจังโทษชะตากรรมฝนก็ตกอย่างนี้มาบางทีก็แรงบางทีก็ท่วมมันก็เป็นอยู่มานานแล้วแต่พอเราวางจะไม่ถูกเราก็ไปโทษไปโทษ ด, ดินฟ้าอากาศแต่ไม่ค่อยดูใจของเรา ว่าใจเราเป็นพ่อใจเราไปยึดไปอยากไม่อยากให้มันท่วมไม่อยากให้มันฝนแง้งแล้วเราก็ทุกเองเพราะว่าธรรมชาติไม่เป็นไปตามใจเราเพราะนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําหรือสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นกับใจเราอะไรอะไรนี่มันก็พอสู้ไหวอะไรอะไรมันก็พออยู่ได้แล้วก็มินําซ้ําอาจจะใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วย ความทุกข์นี้ถ้าใช้ให้เป็นก็มีประโยชน์นะเหมือนกับขยะเนี่ยขยะนี่มันก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้โคลนตมนี่มันก็ทำให้ดอกบัวเกิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่ากองขยะเนี่ยมันก็มีต้นไม้สวยงามดอกไม้สวยงามเกิดขึ้นได้ความทุกข์ก็ทำให้เกิดมีพระอรหันเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ย ความทุกข์มันจะกลายเป็นของดีมีประโยชน์เหมือนกับวัคซีนฉีดเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายมันก็ทำให้กลายเป็นมีภูมิมต้านทานรักป้องกันเชื้อโรคได้